บุ๊กทูหกสิบห้าเซสิเซตเป็ดการปฏิเสธสองแหวนวงนี้แพงไหมคะยูเตนปรสเชน d r าฮีไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรนี่สตูวิลนสตเอวแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Ale len คุณเสร็จแล้วใช่ไหม si już ไม่ยังไม่เสร็จค่ะนี่เอชเจนี่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 คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะไม่ค่ะพึ่งเดือนเดียวนี่แล e วใมาสดแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Ale ľ ľ คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์นี่อาทิตสุดสด์แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Ale ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ ja ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี มีแนแต่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธอมีแฟ้อีแฟ่มีนแล้แต่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธอมีแฟแล้วนะแต่มีแฟแล้วนะแตเนล้วเอีว่อมีแฟนใหมน่อและ่าสุดวลเวอ่นม่ล่